ที่เจาะจงยกเอาคำบรรยายการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นตัวอย่างแสดงสํานวนแบบทั้งสองก็เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันไว้ก่อนว่าสํานวนแบบทั้งสองนี้แม้จะดูเสมือนต่างกันแต่ก็มีสาระอย่างเดียวกันเพราะทั้งสองอย่างเป็นการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันและพระพุทธเจ้าย่อมตรัสรู้หนเดียวผู้ศึกษาหลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองนี้มักมีความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อน อันเกิดจากการอ่านสํานวนแรกอย่างเดียวบ้างสํานวนหลังอย่างเดียวบ้างโดยพิจารณาตามตัวหนังสือและไม่ได้สืบสวนเทียบเคียงกับหลักที่ปรากฏในที่อื่นๆให้เห็นความสอดคล้องกลมกลืนกันความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อนเหล่านั้นที่เป็นข้อสําคัญมีสามอย่างคือหนึ่งเข้าใจว่าต้องได้วิชาสองอย่างแรกก่อนจึงจะบรรลุอาสวัคขยายานคือเข้าใจว่า ปุกเพนิวาสานุสติยานและจุตูปปาตยานจำเป็นสำหรับการตัดสรุ้ 2. เข้าใจว่าการได้ฌานสี่เป็นบาทฐานเพียงพอที่จะให้บรรลุวิชาทั้ง3หรือรวมไปถึงอาพิญญาทั้ง6 3. เข้าใจว่าบรรลุอาสวัคคายานหรือตัดสรู้ได้ในสัญญาเวทิตะนิโรธ นอกจากนี้ยังปรากฏว่ามีผู้เข้าใจคลาดเคลื่อนแปลกไปอีกที่น่ารู้สองอย่างคือ4เข้าใจว่าหลักปฏิบัติที่บรรยายในสํานวนแบบสองอย่างนั้นเป็นปฏิปทาแห่งการตรัสรู้2 อ, อย่างต่างหากกัน 5. เข้าใจว่าขั้นตอนของการปฏิบัติและการบรรลุผลสําเร็จต่างๆตามคําบรรยายนั้นดําเนินไปภายในเวลาที่ต่อเนื่องกัน เป็นหนเดียวคราวเดียวความเข้าใจผิดทั้งห้าข้อนี้เกิดขึ้นได้โดยง่ายแม้แต่ปราศสาคัญสาคัญก็เผลอพลาดไม่น้อยบางท่านพลาดไปอย่างไม่น่าจะเป็นสำหรับข้ออื่นๆพอจะเป็นพื้นๆไม่ต้องแสดงตัวอย่างความเข้าใจเผลอที่แปลกคือกรณีของท่านดรเดวิดเจกระลุปปาหะนักวิชาการชาวศรีลังกามีความเข้าใจผิดแบบข้อที่สี่ คือเข้าใจว่าหลักปฏิบัติที่บรรยายในสํานวนแบบสองอย่างนั้นเป็นปฏิปทาแห่งการตรัสรู้สองอย่างต่างหากกันท่านผู้นี้เข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าหลักปฏิบัติตามสํานวนแบบทั้งสองนี้เป็นคนละปฏิปทาซึ่งแยกจากกันเมื่อได้เจตุจารย์แล้วเข้าใจสับสนว่าปฏิปทาตามสํานวนหลังตั้งแต่อากาสารัญจารยตนะถึงสัญญาเวทยตนิโรธเป็นเจโตวิมุติ ปฏิปทาตามสัมมวนแรกคือวิชาสามหรือแม่อภิญญาหกทั้งหมดเป็นปัญญาวิมุตต์ทาให้สรุปเอาเองว่าทั้งสองปฏิปทานี้นำไปสู่อัญญาคือการตรัสรู้ความจริงความเข้าใจสับสนคลาดเคลื่อนของท่านผู้นี้อย่างเข้าข้อหนึ่งและสองด้วย